ในพระพุทธวจนะชาติการบันเนทนฐานแนฉลาตในการรักษาศีลกับลาดในการพาว น, น, นาำพุทธโธนะอบรมพุทธโททธเนี่ยนี่แหละระยะในพวกทานทั้งหลายฝ <c oughs> ึกหัดจิตนีฝึกหัดสมาธินะ <c oughs> นั่งสมาธิเนะเอาขาขวาทับขาซ้ า, ายหัดทบาทนะนะ เอาเบอขวาทับเบอซ้ายแม้วางตัวให้คล่องเพอะแล้วก็หลับตานะไม่หลับตาไม่ได้มันทรงกรแสออกไปข้างนอกเนนะตามสายตามันไม่สังรวมมันไม่ขลังได้อีกไม่ในละในละกายไปแหวกายไแวหวกณถิ่นในให้ท่านตัดสินนะตัดสินด้วยตอนเองนะเราอยู่ทนเลหลายคนนะใครคลายก็เราอยู่คนเดียวอย่าให้กิดก่กัน ได้ยยเกี่ยวข้อง น, นะนั่นมันไม่อุปสรรคขัดข้องนะรั่นเปียวนะก็แก่เจ็บตายคนเดียวให้ตัดสินใจเชเนี่ยเราคนเดียวอยู่หน้าที่นี่นะมันว่างหมดนะนั่นน<ม>ี่เข้าจิดง่าย น, นั่น<ม>่ละกายวิเวกกายวิเวกนะนั่นว่าเจวว่าเวกนะที่นี่นะราว่างที่พระทิฐิไปห้ามคุยกันนะอย่าไม่คุยกันนะไม่ได้เเราสังวรเราทั้งรวมแน่นั่น มะนองไ ว, ไว้แหวกนทีนี้เกิดเปลี่ยวเกิดวาแหวนะมาความเปลี่ยวคําว่าวันนะทนี้ราคาแพงที่สดนะบัญชีมชลลั ป, ปรีรยอ่างไรออกจากดวงกิดนะไม่วร น, นะนะไม่วในไมวรนหาอย่างมันออกจากดวงกิดอั ป, ปรีรยอ่างไรนั่นแล้วทีน้หัวใจเป็นภาชนะที่ดีนั่นนั่นอะไร แล้วก็ต่อไปโอปนิโก น, นอมอคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาด้ดวงจิตมาในเรือนของเราน่ะมาด้จิตของเราใโมนเชิญพระเจ้ามาไม่ใ่เรือนของเราน่ยมันไม่สามเทนตดเน่ดนเด็กเรือนของเด็กแงเรือนของคนหนุ่มแดงเรือนของคนแก่นดเรือนพระเรือนแนงน ะ, น, ะงนั่นเรือนนั่น ทำละเรือนให้เดียงเอาดอกไม้พร้อมนะให้กลิ่น้อมนะแม่ปู่อาชนะให้พระองค์ประทับนี่ได้ไม่มนองสำเร็จพระนะพระเมรุภาคเข้ามาในเรือนของเรานในละสำคัญมากดิบพานสามชนิดอยู่ในร่างกายของพระองค์นี่องบ้าชา ชาตุของพระ อ, องค์เป็นชาตินิพพานะวาจาพ้ อ, องเป็นชาตินิพพานน้พระทายเป็นชาตินิพพานแะล้ววางที่องค์สมเด็จพระพมีภาคอยู่ในโลกะมน์ใต้ต้นไะม้เนี่ยแม้พระนิพพานอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเนะี่ยนั่นบางครั้งพ้ อ, องอยู่ในปราสาทของนางเสขะแม่พระนิพพานอยู่ในปราสา ท, ทแล้วเนะี่ยนั่น แม่ละธาตุนะของพระ อ, องค์เป็นชาตินิพพานเมื่อเผาเผาเจีลงไปแล้วน่ะเป็นธาตุนะนั่นเป็นเชื้ อ, อ น, นิพพานเครื่องหมายแล้วอภิ ก, การน่ น, นะวาจาพระ อ, องค์เป็นชาตินิพพานเวลาพระ อ, องค์กัจจนุตตราสัมมาสัมพุทธญาณเสร็จแล้วนั่นพองหันไปธรรมาปฏิเจริญกคือหายมาพระ อ, องค์สแสดงธรรมจักแม่ ถ้ามาจากหลววันจะเป็นโล ก, กุตระพุทชาตินิพพานนั่นแทบนั้นพระเจวคีลาจะได้สำเร็จเป็นสาวกองคอรหันเป็นพุท ธ, ธชนะินนโนตเกิดขึ้นในโลกเส็ยแล้วแน่นั่นในาประทายั้งอมาตะาธรรมั้งวโมกวิมอดนั่ น, น, นในัทนามลัทธาณในพานสามอย่างมีตัวในอยู่ในตัวของพระ อ, องค์นะั แล้ว่าในมนสเด็ดมานะเนี่ยโอปนิโกน้อมมาน้อมม า, น, านันแม่พระองค์ขึ้นเรือนขายนะ น, นันเป็นมงคลอย่างยิงนะเสเสียงแด่งเด่นมากขึ้นจูฟ้าโน่นะนะนันพระองค์เสด็จไปเรือนของคนด้านคนนี่แหมขึ้ น, น, นขึ้นเชือเรุยลุยชานะ น, านัน นายมากานแห่งพระ อ, องค์นั่งประทับอยู่ในเรือนของเราเนี่ยแม่อุมาสกุมาสการนั่งอยู่ในต่อหน้าพุรธสํานักนี่มนั่นเองนั่นแองนละไม่ได้ชานุภาพมากนะญาติยอมมองหลายจย่างหัวพระแน่ในเะจ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงนะนเปล่ยนแปลงมากให้สดนะบนํานาทพทฟอกในดวงจิตมัน ค, คล้ายๆสบูนะ่แดน เราหอบอโนสัยมาแต่ชาติก่อนมาม า, มากมายนะมาอยู่กองในะปัจจุบันดำเพลิดนะน่นประกอบด้วยราคาโทสะนะนั่นดำเพลิดเนี่ยนะนั่นมันผสมกับผ้าขาวที่สะอาดดำนะเราจะให้ผ้าขาวด้วยวิธีไหน น, ะนั่นเอาผ้าเลยใส่สมาดเอา น, าน้นใส่นิดหน่อยเอาเซบูฟอกนะขยี้ให้เด่นเนื้อนะเ น, เนื้อพุทธอนะนั่น แล้วไปละลายไปละลายน้ําที่นาทีเทไหลายเชี่ยวนะ่ยไม้ความดําไหลไปตามกระแสน้ําดนแล้วได้ในผ้าขาวเธอาดหัวใจสะอาดม่หัวใจสูงนะหัวใจไม่มีแวนมีภัยนะไม่มีบาปไม่มีกรรมนะใจสูงนะใจพระใจแรงสูงถ้าแล้วแนะ่รับมาดกได้ ก, กลงนะังแน่ ใจองค์ ม, มาสกอ์ ม, ม, านะอ ม, มาสิกาใจสูงนั่นอง์มาสกเข้าใกล้พระพุทธประธานพระสงฆ์นั่นะเป็นมงกุฎราชกุามานของพระเจา้านะองค์ ม, มาสิกาเขาเรียกว่าราชธิดาขององค์สมเด็จ พ, พระมหาพลเนยะอง์ ม, มาสกอ์ ม, มาศิกาไห้พวกไม่ใจสูงใจสูงนะอํานาจทานของเขาอํานาจศิลป์ภาวนากดทบ สวรรค์นในผาเ ล, เลยๆเลยเนี่ยนะไม่ใช่ตกตามนะนั่นและอิบการน่ะสวรรค์สวรรค์ใครคลายะองค์สมเด็จพระพเมียภาคแต่งดีงามเด้แทนะ้าแล้วก็มีแสงรัสมัยเตียงนะนะนะและพระ อ, องค์หาคนที่ดีนะเสียขึ้นเตียงทองนะฮะอบาสกอบาสิาสสกาชิดสะอาด บริมนได้การบรรพแทานบริมนในการรักษาสิหานีนะ่สิห์แปดนะบริมลในการภาวนาพระทอนะไม่มีมนลทนไม่มีเชื้ออับ ป, ปรี่างลายอยู่ในดวงกิดนะใจสงูงใจสูงนะนะอุมาศกอุมาสก า, สกาขึ้นเตียงทองของพิะเจ้าได้แม้นเงนเกลิงเงิ น, นเกลือกใช่ไหมพระองค์อัานโนโมธนานะอุมาศกอุมาศกาอาบุตรทิดาของพระ อ, องค์ขึ้นนะนะ แล่วเทนอุมาสกมาสิกาสินไม่มีฐานไม่เอื้อไม่ถึงนะมันฐานหน้าต่ำนะนั่น mm hmm. เตียงขอมันสูงแน่นั่นมันเป็นฐานนะมงกุฎราชุ ม, มารม mm ัน hmm. เป็นฐานะราธิดานั่นมันโลกัสสัตถ์ไอพวกไหนนะนั่น mm hmm. เป็นโล ก, สกัสัตถ์กษัตรย์เป็นสองชนิดนะ mm hmm. กสัตถ์ตโลกีนังกษัตริย์โลกุตระนะ ลกักษณะโลเก้นั่นนะคือหมายความว่าอยู่ในพภภภุทธพิธราชธรรมศริระการธรรมดาอางค์สมเด็จพระพเมรผักเป็นยอดกษัตริย์แม้อุบาสกอุบาใจสูงมาเพ่ก็ต้องกลัวมากให้เกินยักษ์แบ่น่ากลัวกลัวเพราะเป็นลูกกษัตรนะิย์แมกลัวสมเด็จพ่อคือพระพุทธเจานะ้านั่นอุบาสกอุมาสิกาไปไหนนั้นไม่มีขไม่มิข ไม่มีผ e ีเบ er ียดเบียนเอาสถานที่กว้างขวางก็ได้เอาสถานที่เ อ, เอาไรเอานาที่มีผ í, นะีนั่นอุมาชโชคบาสิกาเอาได้เถอะนะผีไม่กล้ากระทำโลกษัตร์นะ่มันจะไปทํยังไงได้นั่นะไม่ละฉันตายก็ได้ใจสงูงนะนั่นะ hmm. มันเคลื่อนเจียงทองมันขึ้นเจียงทองได้นะใจสงูงนะเป็นชาวนาก็ใจสงูง เป็นกรรมกรก็ใจสูงเป็นกษัตริย์ก็ใจส ง, เ ป, จสงเป็นพราม์ก็ใจสูงนะมันใจสูงด้วยธรรมะแน่ข้อปฏิมัาแข่งคราดนะกระทบสวรรค์เรื่อยๆในกระทบพระในพานเรื่อยๆ เ, เ, นะเป็นกิริยาที่เกิดบนสวรรค์ไปแล้วนี่ยองสมเด็จพระมพระมเหาะพระรพองค์ตว่าพุต ท, ทางสนดังขชามิใครถึงเดธาโคตนะปธิบายพรมดั้งสีได้นะไม่เกิดใน อาบายภูมิทั้งสีนระกเปรตเอเซลกายจเจอชานไม่เกิดเป็นนิยะตาไปเกิดบนสวรรค์นนะนั่นไม่ละมาสนใจมากที่สุดเรื่องศาสนาเนะี่ยเป็นของที่เอาไปได้นะไปได้นะนั่นมันคล้ายๆก็เงาติดตัวเนะี่ยนั่นตายไปแล้วพอขึ้นบนสวรรค์แหมนะมันจะน เ, เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะ ระหว่างในมันสศอกนะอุมาชกบาไปเกิดบ น, วนวด 1, สวนะรรคนะ์าวัตห น, น, นึ่งมาตั้งร้อยเซนเนีเครื่องประดับหลายร้อยดาเกลียงนีแต่ตื่นเต้นสมบัติของตนมากที่สุดในครั้งนี้นั่นเราก่อนหน้าสศอกนะนั่นครั้งพุรธการมันแปดซอกนะนั่นยี่ยมได้มาสี่ซอกนะก็มาบันดมันดารเกิดบนสวรรค์ทำไมตื่นเต้นขาวดตหนึ่งมากเครื่องประดับหลายร้อยดำเกลียงนะั่น มันเตือนแตนสมบัติของตัวนะนวของตัวนะนัดนเตียงทองอันไหนใครจะขึ้นได้นะแดนมีแต่ลกูกมีแต่มีแต่อุบาสิกาพระแนนขึ้นได้นะอุบาสิกานี่ยคือหมายความมากยกตัวอย่างนางสขาหมหาอุบาสิกาเป็นอุบาสิกาอายุเจ็ดไปสําเร็จโชดามันนะแดนคนเคยองสําเร็จพระนะพระเมียภาคมากิี่สุ พาบริวารไปหาพระเจ้าตั้งห้าร้อยน่แต่ละครั้งละครั้งนะมานางสขาคุยกับองค์สมเด็จพระพมีภาคคล้ายกับธิดาคุยกับสมเด็จพ่อนะน่สมเด็จพ่อต้องออกจากลอกุตะละมาต้อนรับนางสขามหาอุบาสิกาธิดาของพระองค์นะเน่ยเมล่ฉันใดคนให้ต่างอกตั้งใจาภาวนาพุทธให้แข็งแรงนะ ตายเราตายนะคนข้างเดียวนะแกจิตได้ได้นะไม่ได้ก็เสียท่ายใหญ่นด้พุทธหอบัตท อ, ทอรังอยู่ในดงขีดนะเ น, น่เสียท่ายใหญ่นะเสียทายใหญ่นะนั่นมัดปรโตเรามันร้อยแปดประตูนะเกล็ดน ะ, นะประตพทุทธหอบัตประตเดียวนะอดีตสัตว์อันเดียวนะสวรรค์ในผ่านมีอันมีหน้าที่ในพุทธศาสนา่างเดีอยูะ ไม่ละฉันนายก็ได้ท่านทั้งหลายก่อนที่จะตายนะ่นะคิดถึงนาอาณาเราไม่ได้ขาดได้ถายตายในบัตรนั่งเสีแล้วนะ่นะแกไม่เทศถึงนานะอมมาสกุลนากานะอ่าเป็นปูเสแล้วนะ่ะมายังงานอมมาสอุลนาการคิดถึงเรนะือนน่ะแม่เรือนหลังในรถอยู่มามีความสุขนะ่นะ คิดถึงเรือนนะดันอ่าเป็นตุกแกซะแล้วดันเขาเรียกกลับแกนะพังศาลน ะ, นะอามาสกุมาส ก, กานะีคิดถึงนะเรือนคิดถึงตุกแกน ะ, นะพระพิโสคิดถึงกีวรเป็นเรนเนะี่ยแม้ จ, จะมานะตายลงไปคิดถึงอาวะาเป็นเปรตนะดัน อาตอมาจะกล่าวนิทานให้ฟังนะมาสมัยดั่งรลังพุทธกาลองค์สมเด็จพระพระมีภาคยังมีชีวิตอยู่หรือทรงบชนอยู่นะไม่พราดพนังลูกหลงังสวยเข้าไปหาพระพุทธเจ้านั่งต่อต่อหน้าพระธสรนักแนหะ่พ อ, องหนะ้าแท้ชนาวานิชฟังาพามคนนั้นเลื่อมสายขอบวชอ่าพ อ, องบวชให้นะนัน เมื่อบวดแล้วงามทรงผ้ากาศิพัฒ์เธอสงชัยของพระอาราหันต์กินาศเขาเรียกว่าอุตมะเพศนะนันพระองค์นั้นนะบวชต่อนหน้าพระสำนักเนะาาี่ยนันเธอมาพียรานาะไม่ได้ศาสนาสมคนนอดมอายุน้อยเนะี่นะันเราไม่ต้องเรียนเราเดินทอดองดีกว่านะี่เธอเดินทดอนดงนะปีที่ยงนะ่ะไม่สำเร็จวาสนาน้อย <c oughs> ไปทีสองไม่สำเร็จอ้าวปีที่สามพายนะนั่นเขาถวายผ้าศรดกให้แกเธอนะหยาบๆยาบนะแม้เธอรับเานะเธอก็เดินไปหาเรือนพี่สาวนะขึ้นเรือนพี่พีดนะฉันนะอืมขอฝากพาไปกับเธอนะพี่นะนั่นข้าว่าฉันนะขาดคองนะฉันยังไม่เอาไปตัดจีวร น, นะพี่นะนั่นพี่ก็รับไว้ พระก็ลงแดกเรือนไปเดินสมนาโคสมสมุตตามสมณะาสารุกทุดลงนะเป็นดับงามนั่น <c oughs> เธอนะบวชมาสาปีไม่ได้ถ่ายถอนจีวรที่บวชเลยนะนะจีวรสำหรุดคำครา่นะไม่มีใครถาวายเธอในขณะนั้น เธอนั่งเล็กในว่าผ้าของเราฝากพี่สาวในครั้งนั้นเราเย้านั้นนะ่ะเราไปตัจีวร น, นะนั่นเธอเดินขึ้นเดินไปเดินไปขึ้นเรือนอขึ้นบันไดถึงเรือนที่พี่หน้าผ้าไม้ฉันนะแกได้จริงผ้านานาะพี่ได้ทําไว้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเธอมาฝากทีแรกนะพี่มาคลีดูแหมผ้าเนี่มันหยาบมากเลยเกินนะเธอมาฝักมาฟันนั่น แช่น้ำาเสไม้ทอไม้เป็นของแต่ประนีตให้น้องชายในสมัยนั้นนะ้<ม>นองชายขึ้นไปนะ<ม>พี่เอามาให้แกมาคลีดูไม่ใช่ของสารพนะใ น, นี่มันละเอียดในของฉันมันหยาบแนีแ่จะลงเรือนไหนในครั้งนั้นนะ่ะ<ม><ม>พี่สาวลองทึกขนว่าฉันรักเธอมากฉันรักเธอมากเนะี่ย เธอเป็นน้องชายของสาร น, นะนั่นะเธอบวดนะเอาอยาตของเราออกจากอบายภูมินะแล้วเธอมาฝากที่แรกเพี่มาแปลใหม่เป็นของเป็นของประเดชให้เธอชายนะนะน้องชายในอกในใจหอบปาเขาในวัดเขตตุพลแม้ตัดยอดภายในเจ็วันเสร็จนะนะอ้าวใจพระใตจเจวันแล้วแนะ่อ้าวไอเชียววัดของพระไม่ทียงนะนั่นะ ตายเป็นเลนนนั่นเฮนั้นเฮ็ดนั้นตายเป็นเลนนะตายเป็นเลนนะนั่นเทนี้มาผู้เร้ยจาวที่มาเกิดในโลกนั้นนะพระองค์เวลาเช้าบบญจบาติสัตพทสันพัฒกิจเสร็จแล้วเข้าบรรทมนอนถึงเวลาเย็ยนให้อวบาก็บพระพิสุคณะอวาส่งบาชิกาไปตลอดท้งใส่ทมเลิกัน ตอนนั้นพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเทวดามาสิทิศนะนนตอนนั้นปชิมาสมัยนะพระองค์พิญารณาใครนะถูกขายคาถาคตนะเหมือนองค์คุลิมานคาถาคตต้องไปเสด็จไปธรมานเนี่ยไม่มนะีพระองค์นั่นเล็กในว่าระพระเทวดนะตายไปนะ <c oughs> เดือนก่อนนะมันไปเกิดที่ไหนนะฮ <c oughs> านาลกไม่เห็นแปลตอสุรกายไม่เห็นเทวดามาเห็นอ้าวพระนิพพานก็ไม่เห็นพมรโลกก็ไม่เห็นนะ อา้าเป็นแรนเชลแล้วเนี่ยแต่จิตมันติดเยวอนนะนันเดี๋ยวไหนนะมันตกในสงกาลังประชุมกันจะแจกเยวอนของเธอนะนะมาท้าทาคตต้องช่วยนะไม่ช่วยไม่ได้เธอเป็นแรนนะนันเธอเป็นสัตว์ประหาดนะเยวอนของเธอตกเป็นของสงนะสงจะอุปโลกแจกกันนะเธอจะ เคลือดาจีวรจะกดให้แกพระเนะ่เธอจะตกในโลกกถาก็ต้องช่วยนะเราวางนั้นองค์สมเด็จพระพระเมีภาคทรงจีวร อ, ออกจากขวนะมามันช่างงามกายนะพระมหาบุรุษนะนั่นะเปล่งปลัง่งเสียงลัทสมีนะนั่นะองเดินไปลัสธมีออกเอนออกจากกายพระองค์หกชนิดเนะีนะ่ยพระพระบาทนะพองก้าวไปเมิน ดอกบวับพลบเพลเพียวน<ม>ั้นไม้ความงามองค์สมเด็จพระพระเมรภาคในสมัยนั้นงามมากที่สุดมันเหมือนใคร้ายก็พระราชาสงเกตขในสนามรบนงามองค์อาจมากนะคงไปหาส่งนะไปชมกันส่งๆสงสงแล้วเธอไปชมยังไงแก จ, จีวอนของพระพระเมรภาคไหนไหน พระเน่ยเอาถวายพอง พ, อ ง, พองอพหัตรับนะใครประหัตที่ทอะไรนะว่าพระดมหมดทุกคนไม่ใช่เอิ่นกลายพเพราะเจ้าขาเล่นตัวเล็กๆมันวิ่งไปวิ่งมานันเห็นประจักรในดวงจิตเห็นพระจักรในตาเนะีะ่นองสมเด็จพระพระมีภาคหยุดหยุดอย่าเพิ่งแจก น, นะแล้วนี่ตกนรกนะโกรธพวกเธอนะนะรอสักก่อนเล่นนะมีชีวิตเจ็ดเจดวัน ถึงเกิดวันนะเรนตายนะนะถึงเกิดวันเรนตายไปสู่สุกติโลกสวรรค์อำนาจเดินทดองของท่านนะห า, ะว า, ยยวาว่าพระองค์ไม่แย่งใบละอาวมาตกนรกแล้วเน่ยโกรธนะยังเทวดาชีวร อ, อยู่นะเนี่ยนะญาติยอมนะไม่ถึงพุทธธรนะไม่เจะเป็ดเป็นยังไงนะ ม, มันติดเรือนเมื่อเป็นตกแก่นะอ้าวเป็ดสวนทุนเรียนสวนละสวนนะงอหนะเป็น ลวงเกาะในต้นไม้นั้นไม่ะเติดนาเป็นเป็นปูนะนั่นไม่ะพระเตจิวรเป็นเหรียญอาตมาเติวิวานเป็นเปรตนะนั้นไม่ะฉันนายก็ได้พวกท่านคุ้นเคยพทุทธทอด้เปล่าเนี่ยนั้นวันหนึ่งยีมสีสมองเข้าสมาธิกี่ครัร้งนะนั่นเจ็ดของพวกท่านถึงโอเคละ ส, ะสมาธิหรือเปล่าอัปนาสมาธิหรือเปล่าเนี่ย วานจะได้ไปเกิเดกบนสวรรค์นะ น, นมันจะเป็นชาติทอ้งเรนซะแล้วแน่นั่นมันติดนะนั่นเจ็บเกลิดนะมันร้อยแปดประตูพุทธทอประตูเดียวแล้วก็พวกท่านไม่ชำนาญด้วยนะนั่นแน่ละความเสียใจยในตอนนี้นะไม่สมกับคำที่ว่ากังมนุษย์สิสุน่มนุษย์เป็นเลกที่สุดแน่ลิ ก, ก็ไปอินบะพรมนะมนุษย์ น, นั่น พระเอ็นมาพร้อมไม่เลนะิศนั่นไม่ได้ส่งอย่างเดียวหาว่าครบหมดแล้วไปหาสแสวงหาที่เกิดที่ทางอื่นนะั่นโลกก็ไม่เลิศทุกอย่างเียนะ่นมนุษย์เลิศที่สุดนะความเลิศอันใดนั่นะความเลิศอันใดนั่นะท่านนั่งอยู่ทในลิศในความเป็นหญิงนะเลนลิได้ความเป็นชายนะี่ศาสนาก็เป็นของที่เลิศธรรมวินัยนะั่น ไม่ควรเยบยำแยบยำชาทั้งเราให้ตกตาถึงนรกเปรตอนสุรกายสัตว์ยนฌานะควรตื่นเตนนะตื่นเตนนะนันเพียงวัดน้อยนะนันสมณนะคดอมหน้าพราะองค์อายุแปดสิบปีปตายนันไม่เหมือนศาสนาอื่นกุชเชนโทหกบื้นโกนาคมใส่เมิ น, นะลวงมาแล้วกัจสปอสองเมืนสมณะคอนดม พระองค์อายุ80ปีเร็วไงมันคลายแผลปากแหลบเพริบกันเดียวนะทันความดีทันนะไม่ทันไงพวกทันเสียท่านะที่ไปลองค้างโวยวายอยู่ในนรกนะนั่นปัดปายอยู่ในนรกเท่านะไม่เป็นวันเป็นคืนนะไม่เหมือนมนุษย์นะลั่งอยู่ที่นั่นตั้งกลับตั้งกันนะนมันสายเกิดไปที่แก้ไขได้นะ่ฉันในก็ได้ขอยต่างอกต่างใจให้หม สมมาตรเอาไปไม่ได้โลกีนะนั่นสมมาติที่บําเพ็ญทานศาสนาสินมันเอาไปได้นะมันหอบไปเกิดชน้าได้อันนี้มันวางไว้นะนั่นสมมาติอ่ะเป็นของจรไปซะแล้วนั่นเป็นไฟไหม้ไปซะแล้วนําท่วไมไปซะแล้ว น, ะ น, ะน <ะ S 1> ่นนเราทําเพศนะกฎหมายนะเอาเข้าในทองประคังหมดได้เงินทองนั่นะ โรการบำเพ็ญทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้นะันะ่ก็ภาวนาไม่ได้นะั่นะแทบนั้นอย่าเหยียบยำชาทั้งตัวให้ตกต่ำนะความ ป, ปรับปรุงขึ้นเดียวเวงเต่นขึ้นนะนะพุทโธไปไว่าตื่นเต้นนะนั่นะอย่านอนนะนั่นะอย่านอนในมัชยะทตนันนะนะนั่นนี่ละฉันในก็ได้เมื่อทันได้สดัะตักฟังอย่าที่กล่าวมานะ ไม่พุทโธสงบจะเดิมกิจแล้วล่งจะเดิมกิจแล้วนะคล้ายๆก็เสบอฟอกดีแล้วงามบนสุดแล้วนะแดนในมันไม่งามแนะม่นะไม่จะขึ้นเต็งทองของพุทเจ้าได้ยังไงมันเอื้อไม่ถึงมันต่ำนะนะนี่นะให้ถึงหทุทโธพุทโธอย่าไปถึงผีผีพุทโธปุตานะผีพุตโธปุตตานะเอาถึงนะผีนะแดนะ อย่าไปถึงอย่าไปถีงถือูตรงปูตนานั่นให้ถึงพระพุทธพระธรรมาสงแสงรัศมีกิดเป็นเ ป, นปล่งนะนั่นอย่าเอาที้กลัวเข้ามาผสมทองสำเร็จนะให้มีอำนาจน้อยนะนั่นไม่ได้แสงในศาธนาป่าเปลีย่ยนกันอย่างอุมาสกอุมาสิ ก, กาในครั้งพุทธกาลนะนั่นพระยาพเภสันนั่งเป็นกษัตริย์ มาค้านางสขาบิริ ก, กาเศรษฐีเนี่ยนั่นแล้วก็นนทํานาทําด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างม่เส้นหานะนั่นแล้วก็ทุกวันในเราไม่เส้นหานีเปล่านียนั่นที่จะพ้จะอญบายภูมินะ แ, ะแล้วเร า, ามีพุทธทอเดื้อเปล่านี่ยน่นี่นแหละความเสียใจในตอนนี้นะท่านจะตกในโลกนะที่ทาบุญที่ทําบาปลงไปนะนะ่น ข้างว่างศาสนาทำดได้ดีทำชั่วได้ชั่วนัน่นอย่างพระมารัยน่นพระโมคคราในศาสนาของผูเจ้าของเราสองอก์น่ดับไฟนรกได้เถนะลงไปโปรดสัตว์นกนะรกนั่นดับไปเพ้อเม้าสัตว์มันวูมันได้ออกได้ใจมันหายใจได้นะนั่น แต่ก่อนมันไหมอยู่นะมันลินมันคางมันอะไรสารพัดทุกอย่างเนะี่ยพระอราหันต์องค์พุทธชินานารถสององค์องค์ใดองค์หนึ่งไฟไฟดับเนะ่มสัตว์นลกนะ่ขอร้องทุกขอให้พระบเจ้าอยู่ที่นี่นานนะข้าพระเจ้าได้รับความสุขนะเพิ่งได้รับนะ่ความสุขในคินในโะดยบา ร, รมีของท่านนะ ตอนนั้นพระมารายพระโมคคัลาล่องทกต่อสัตว์โลกไม่ได้เคยวิรักเทยวิชนะอายุน้อยนะพวกเขามันตั้งกราบต่างการอยู่ไม่ได้นะนั่นแล้วทเน่น่นะหากว่าอยู่ไม่ได้เช่นนั้นเขาฝากคาไปถึงพี่ๆน้องๆอย่างงั้นอย่งงานยงนันปู่ย่าตายายอย่านงานั้นอย่างงั้นนะลูกหลานตกนรกอย่างงั้นปู่ย่าตายายตกนรกอย่างงั้นนะอยู่บ้ า, บานๆนั่นั่นขอพระบูชาบอกเลยนะนั่น ม้พระมาลายนี่ยถอนออกจากแนวลอกพระต้องไปปลุ่ปลั่มปลุ่มปลั่มเถอะนี่ละนะทนอยู่ยังไงได้นะได้ปลุ่มปลั่มปลุ่มปลําเท่านะทั้งปัดทั้งปล่อยสารพัดเท่วนะลูกหลานทำคนทําอเทศไปมันไม่รู้จักรับมันโมทนาส่งนะส่งอาหารให้นะมันบริจาคมันเวทนามากมันปัดมันป่อยไม่ได้รู้สึกกินมันรู้สึกกิน กินยังไงได้คุูสอนที่อุทิศไปนะไนไม่ละมันสายเกินไปนะแกขายยางไม่เกิดมาตก น, กนรกเนี่ยเรยบธรรมนันก็อย่างที่ไม่เชืยวรนั้นราคาชีวิตของท่า น, นสูงนะอยังบมนุษย์สูงนะเลอที่สุดเพราะเห็นพระพรสู้ไม่ได้พยากุบพยานาคสู้ไม่ได้นะมนุษย์เน่ยประชมใหญ่น่ยกก็มนุษย์น่ชั่วร้ายก็มนุษย์เนี่ย ตกมหาวิจิกับมนุษย์นะขึ้นนิพพานกับมนุษย์ น, ะนี่นั่นแท่นั้นมนุษย์แยกเป็นสองชิน้นเนส์นะมนุษย์ณณโกมนุษย์เวโตมันเดรชาโนนี่นะมนุษย์แทวมนุษย์ทมมามนุษย์โลกุตรนะนี่นัเป็นที่ประชุมใหญ่ท่านทั้งหลายในชาติอันดีแล้วนะั่นะท่านทั้งหลายดีแล้วพบพระพุทธศาสนาเนะี่ยท่านทั้งหลายดีแล้วไป็นอมตกเป็นอมตะกิกาเป็นพระเป็นเนรนะั่น จะทำตัวให้ตกต่ำแมนั่นหากว่าตกนรกลงไปแล้ว น, นั่นนะี่จะลองทุกพระเทระให้อยู่ไม่ได้พระเทระใจชะี <c oughs> วิตมันน้อยเนะีนะ่ยนเะนะมื่อท่านทั้งหลายได้สดับตับฟังอย่างที่เรามาอภินิคกนอมาปฏิปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนะี่ย พอจะเห็นอันนี้สงในพระพุทธศาสนาโดยง่ายสมควรกับกณ ะ, ะเวลาดังอัตมะอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประกาศเช่นี้มะนยย่อวัติราชยาถาสัพพิติโยวิวัจยานโตสัพพะโลกสีดานสระพันยะปะทัง ฮานามาเซ